สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่แปดสิบนะครับภารกิจของอัครทูตเพื่นอนครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือผมได้ให้ข้อคิดและก็รายชื่อของอัครทูตทั้งสิบสองคนของพระเยซูนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามัทธิวและมาระ โ, โกนั้นระบุชื่อของอัครทูตคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนนะครับพักชาตินิยม ลูกาเรียกชื่อซีโมนพักชานิยมว่าซีโมนเซโลเทนะครับทั้งสองชื่อนั้นเป็นคนเดียวกันครับเราอาจจะเรียกว่าซีโมนผู้รักชาติก็ได้ที่นั่นครับในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกถึงคนคนหนึ่งชื่อว่าโยเซฟัสครับโจเซฟัสนั้นเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ขาวยุ่ผู้ยิ่งใหญ่และเขานั้นระบุในข้อเขียนของเขานะครับว่าเซโลเทนั้นคือผู้ที่เชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็น เจ้าเหนือหัวและเจ้าชีวิตพวกเซโรเทนั้นพร้อมที่จะทิ้ชีวิตเพื่อประเทศชาติหากซีโมนเซโรเทนะครับไม่ใช่แอกทูดของพระเยซูเป็นไปได้ครับว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อเขาพบกับหน้ามัดทิวคนเก็บภาษีที่ไหนหรือเมื่อไหรก็ตามนะครับ <c oughs> ที่เจอมัดทิวคนเก็บภาษีอาจจะต้องฆ่ามัดทิวเสียเพราะถือว่าคนเก็บภาษีนั้นเป็นศัตรูกับคนยิว ในที่สุดนั้นพี่น้องครับเราเห็นได้ว่าพระเยซูส่งเรียกเขาทั้งสองคนมาเป็นอัครทูตของพระองค์ชีวิตของเขาทั้งสองคนเปลี่ยนครับเป็นยังไงครับซีโมนครับชานิยมหรือซีโมนเสโลเทก็ <c oughs> รักมัทธิวเหมือนกับเป็นพี่น้องมัทธิวเองนั้นก็เลิอกอาชีพคนเก็บภาษีที่เป็นศัตรูของคนอนยิวเป็นการตรอต้านต่อประเทศชาติพี่น้องครับ เราเห็นได้ว่าพระเยซูทรงรู้จักสาวกของพระองค์ทุกคนรู้จักเบื้องหลังแบ็กกราวน์ของสาวกแต่ละคนเช่นเดียวกันครับพระเยซูก็ทรงรู้จักชีวิตของพวกเราด้วยและพระเยซูเรียกเราให้ติดตามพระองค์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวอุปนิสัยของเราความคิดของเราทัานาศนคติของเรานั้นเราเข้ากับคนอื่นไม่ได้หรือคนอื่นเข้ากับเราไม่ได้แต่ว่าเมื่อเรา ยิ่งติดตามพระเยซูเราจะยิ่งรับกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครับเกิดการ change ในชีวิตของพวกเราซึ่งเป็นสาพกของพระเยซูเป็นอัครทูตของพระเยซูพี่น้องครับเราไม่ได้เลือกตัวเองนะครับเราไม่ได้เสนอตัวเองแต่พระเยซูทรงเลือกเราและเราตอบสนองต่อพระคุณแห่งการทรงเลือกนั้นพระองค์ทรงเลือกเราทั้งหลายนะครับเราไม่ได้เลือกพระองค์ พระเยซูตรัสนะครับท่านั้งหลายไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านังหลายและแต่งตั้งท่านังหลายไว้ให้ไปเกิดผลพี่น้องครับคําว่าพระเยซูรทรงใช้สาวกออกไปนะครับในภาษากรีกนั้นคําว่าทรงใช้และสั่งนะครับคําว่าพาราเกเรนพาราเกเรลนี <c oughs> ้มีความหมายสี่อย่างในภาษากรีกนะครับความหมายประการแรกก็คือเป็นการออกคําสั่งของผู้บังคับพัญชาการทหารครับ ก่อนที่จะส่งกองทหารไปรบในสมรภูมินี่คือคำสั่งจากผู้บัญชาการทหารนะครับความหมายประการที่สองก็คือว่าเป็นการเรียกเพื่อนมาขอความช่วยเหลือครับนะครับเป็นเรียกว่าเป็นฉันธมิตรนะครับเป็นฉันมิตรก็คือมีความสัมพันธ์กันขอให้มาช่วยนะครับความหมายประการที่สามครับเป็นพระราช อ, องค์การของกษัตริย์ รับสั่งให้ทูตหรือใครบางคนไปทําหน้าที่ตามที่มอบหมายนะครับมีกฎหมายรองรับครับมีอาญาสิทธิ์รองรับครับมีบรมราชองค์การรองรับนะครับอันนี้เป็นความหมายประการที่สามนะครับความหมายประการที่สี่ของคําว่าพาราเกเล่นนั้นก็มีความหมายว่าเป็นครูนะครับหรือเจ้าสํานักนะครับแจ้งกฎหรือแนวคิดให้กับสาวก เพราะงั้คำกรีนั้นทำทำทำกรีมีความหมายลึกซึ้งเช่นดีนะครับเป็นการเน้นนะครับที่พระเยซูนั้นเป็นเหมือนกับผู้บัญชาการทหารเปเยซูนั้นเป็นกรรษัตริย์ที่มีบรมราชองค์การรับสั่งให้ใครบางคนออกไปทําหน้าที่ของเขาระเยซูนั้นเป็นบรมครูครับหรือเจ้าสํานักที่จะแจ้งกฎและแจ้งแนวคิดของพระองค์ให้กับสาวกของพระองค์ในมุมมองหนึ่งครับเปเยซูนั้นเป็น เหมือนกับเพื่อนครับที่เรียกเพื่อนมาขอความช่วยเหลือให้ไปทำอย่างนี้พี่น้องครับพวกเขาซึ่งเป็นสากวกนั้นพระเยซูได้ทรงเรียกเขาและมอบหมายสั่งงานให้เขาว่าพวกเขากำลังออกสู่สมรภูมโลบครับสมรภูมิลนั้นซึ่งมีซาตามไป็ัตรูนะครับถ้าเราอ่านต่อไปนะครับ <c oughs> ในมัทธิวบทที่ห้าถึงบทที่สี่สิบสองเนี่ยพระเยซูได้กําชับเขา ถึงลู่ทางวิธีการต่างๆที่เขาจะต่อสู้กับมารซาตานครับในแง่นี้พระเยซูเปรียบเสมือนกับเป็นผู้บัญชาการทหารเตรียมฐานให้พร้อมสู่สงครามภูมิรบนะครับพระเยซูทรงเรียกเพื่อนสนิทของพระองค์นะครับที่ติดตามพระเยซูมารู้จักชีวิตของพระองค์มาเข้ามาช่วยในงานของพระองค์นะครับให้ไปกับพระเยซูทุกคนทุกแห่งนอนกินทํางานด้วยกันนะครับอันนี้คือคําว่าภารกิจหน้าที่ของอัครทูต ทั้งสิบสองคนที่อยู่ในความหมายของพาะวะาพาลาเกเรเลนพี่น้องครับในชีวิตของพวกเราก็เช่นเดียวกันครับเปียชูสั่งให้พวกเราไปที่ไหนบ้างเราทราบไหมครับเปียชูส่งเราออกไปในที่ทํางานของเราใช่ไหมครับเปียชูส่งเราออกไปเพื่อที่จะเป็นพยานให้กับคนที่ยังไม่ได้ยินไม่ได้ฟังเปียชูสั่งให้เราอยู่ในครอบครัวเพื่อที่จะรับใช้ครอบครัวเป็นตัวอย่างเป็นพยานที่ดีกับครอบครัว หลายๆครอบครัวนั้นยังมีคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอาจจะเป็นคู่ชีวิตของท่านคู่สมรสของท่านหรือท่านอาจจะมีลูกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าพี่น้องครับเรานั้นเป็นอัครทูตในบ้านของเราครับเราเป็นอัครทูตในที่ทํางานของเราครับและยิ่งไปกว่านั้นครับเราเป็นพี่น้องกันอยู่ในโบสถ์เราควรจะสนับสนุนซึ่งกันและกันในการที่จะให้คนอื่นเป็นสาวก<ข ifica>เหมือนกับเราและในที่สุดเขาจะเป็นอัครทูตเหมือนกับพวกเรา เยวนะครับในข้อที่เจ็ดในข้อที่แปดนะครับของอพระธรรมมัทธิวนะครับพระเยซูตรัสถึงสิ่งที่เขาทั้งหลายต้องทํานะครับอย่างน้อยห้าอย่างครับประการแรกก็คือให้เขาเทศนาสั่งสอนพระวจนะของพระเจ้านะครับประการที่สองก็คือให้เขารักษาโรคนะครับสําหรับคนเจ็บคนป่วยให้หายประการที่สาก็คือพระเยซูตรัสถึงสิ่งทั้งหลายที่อัครทูตเขาต้องทําก็คือช่วยคนตายเป็นขึ้นมานะครับ ประการที่สี่ก็คือช่วยให้โลคเลือนคนโลกเลือนหายจากโรคและประการที่ห้าคือขับผีครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องเราเห็นนะครับว่าเมื่อเขามีตำแหน่งนะครับภารกิจหน้าที่ก็ติดตามมาเมื่ อ, อเข า, เ า, านนมีตำแหน่งนะครับความรับผิดชอบก็ต้องติดตามมาพี่น้องครับความรับผิดชอบนั้นเป็นคําที่ผมชอบมากครับเพราะหลายๆคนนะครับมีตำแหน่งนะครับมีหน้าที่แต่ไม่รับผิดชอบ ไม่มีการตอบสนองที่สมควรเหมาะสมนะครับเพียงครับเราจะเห็นว่ากระตูด ท, ท, ที่เยซูแต่งตั้งขึ้นมานั้นพวกเขามีหน้าที่ทํางานแบบเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทํำครับพวกเขามีความเชื่อที่จะทําสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระองค์มาดูกับพวกเราครับเมื่อพระเยซูแต่งตั้งเรานะครับเรามีความเชื่อที่จะทํำตามพระมหาบัญชาของพระองค์ในพระนามของพระองค์หรือเปล่าครับเรามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะสําเร็จ ตามน้ำมัไถ่ของพงหรือเปล่าครับและเรามีความเชื่อมั่นว่าพระเยซูนั้นเป็นจอมเจ้านายเป็นผู้ที่ใช้เราออกไปในนามของพรงหรือเปล่าครับพระเยซูตัสถึงการเตรียมตัวเมื่อพวกเขาออกไปเทศนาตามหมู่บ้านพวกเขาไม่เตรียมเงินเตรียมทองแต่ให้ไฟอาศัยตามบ้านเรือนของคนอื่นนะครับพึ่งผาพระเจ้าและการทรงนำของพงเอาแต่สิ่งจําเป็นเท่านั้นติดติดตัวไปไม่เอาแม้แต่ถุงหรือ ย, ย่ามใส่ของ นะครับและเปียสูกำชับว่าเมื่อไปถึงที่ใดเขาจะหาบ้านที่เหมาะสมซึ่งยินดีต้อนรับพวกเขาหากบ้านใดไม่ต้อนรับเขาก็จะปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้ในข้อที่สิบสี่นะครับของมัทธิวบทที่สิบพี่น้องครับคนที่เป็นสาวกพระเยูพระเยซูทรงสั่งพวกเขาด้วยว่าพวกเขาอาจถูกกลมเหงโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นำศาสนาที่อิจฉาหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเขาเองครับเปียซูทรงเตือนเขาให้หลีกเลี่ยงการกลมเหงหากเป็นไปได้ แต่ถ้าหากเรียงไม่ได้พวกเขาอาจถูกไต่สวนอาจถูกข่มเหงอาจถูกทําให้อยู่ในความทุกข์ยากลําบากนะครับอาจถูกสอบสวนหรือบางครั้งอาจจะต้องถึงกับตายพระเยซูไม่ได้ระบุนะครับว่าชีวิตของอัครทูตนั้นเป็นชีวิตที่สะดวกสบายแต่พระเยซูหนุนใจพวกเขาด้วยพระวจะนะ ข, ของพระเจ้าในข้อที่สิบเก้านะครับพระเยซูตรัสว่าแต่เมื่อเขาอายัดท่านไว้นั้นอย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอย่างไร เพราเมื่อถึงเวลาคาที่ท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะทรงประทานแก่ท่านในเวลานั้นพระวิญ ญ, ญาณแห่งพระบิดาของท่านตรัสทางท่านนะครับและพระเยซูก็ได้ให้กําลังใจเรานะครับในข้อที่สามสิบสาสิเอ็ดพระองค์ตรัสว่าถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเช้นเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว ทรงชงให้กำลังใจและทรงชงปลอบใจว่าแม้แต่นกกระจาบเล็กๆพระเจ้าพระบิดาก็ปกป้องคุ้มครองไว้พรงจะยิ่งปกป้องคุ้มครองทั้งหลายมากกว่านั้นสักเพียงใดใช่ไหมครับพระองค์ใช่ไหมครับพี่น้องพระองค์ทรงสัญญาที่จะปูนปบําเพ็จรางวัลให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อพระองค์ด้วยพี่น้องครับในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบนะครับเป็นข้อความที่ประทับใจมากในข้อที่สามสิบแปดนะครับข้เศียงทุกคนควรจะรู้ครับนะครับพวกเราทั้งหลายที่ควรจะท่องได้ ผู้ใดไม่รับการเข้นของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราโปดออรดคอยครับผู้ใดไม่รับการเข้นของตนแบกตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราขอให้พระเจ้าพระเจ้าตอนนี้จะเป็นที่เตือนสติเราทั้งหลายและเป็นที่ให้เราไ่ควรวนถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนอาเมน